กับนรัสกาบครับพ่อครับสังขารที่เป็นทุกเนี่ยเราเราไม่มองเราไม่มองเป็นตัวเราเนี่ยแต่มองเป็นสังขารเนี่ยเราคิดเราได้ไหมครับถ้าคิดมันก็คือคิดแต่ถ้ารู้มันคือไม่ใช่คิดเขาเรียกว่าคิดทําความเข้าใจมันเป็นจินตมยปัญญาเนาะคือคิดค่อควรพิจารณาเหหลังจากที่ได้ยินได้ฟังเนาะเออคิดคิดคิดคิดอันนี้มันก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งเหมือนกันก็ต้องต้องต้องอาศัยมันเหมือนกัน แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้เลยรู้เลยโดยโดยไม่ต้องคิดเออคือเราต้องเข้าถึงสภาวะใช่ไหมครับหลวงพ่อซึ่งมันต้องปฏิบัติใช่ไหมครับหรอเท่าไรท่ับจึงผมฟังดูเมื่อกี้ก็คืออ่าอย่างในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวถึงเรื่องการอิริยาบถน้อยใหญ่เอาต้องรู้ใช่ไหมอาจารย์ว่าเรารู้ว่าเราเป็นยังไงยือเดินนั่งหรือว่าคูเหยียดเงี้ยใช่ไหมครับนั้นผมเราเราฝึก รู้ที่กายก่อนเนี่ยผมว่าอันนี้เหมือนเหมือนเริ่มต้นหรอ่าครับน่าจะตอบจะเห็นใจที่ที่ที่เราฟังนะอย่างที่ที่สุขโตเนาะหลวงพ่อเทียนเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะในสายฝึกสติในความร เ, รเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยท่านเน้นว่าให้รู้กายก่อนเพราะว่ากายมันเป็นของหยาบรู้ง่ายเนาะกายเคลื่อนไหวกระโดดโลดเต้นเนี่ยมันรู้ง่ายไงพอกระโดดปั๊บมันรู้เลยใช่ไหมเนี่ยพอกระเงยมันก็รู้คือรู้ทันทีขณะที่มันเคลื่อนไหวอ่ะมันรู้เป็นปัจจุบันเออ แต่ถ้าถ้าเราไม่เอากายเป็นหลักก่อนเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยมันเร็วมันเกิดเร็วมันดับเร็วแล้วก็กลายเป็นว่าดูไม่ทันรู้ไม่ทั น, ทนแล้วก็มันลากเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเรารู้กายเนี่ยอ๋อกายเพราะในกายมันไม่ปรุงแต่งเป็นรูปความคิดใช่ไหมก็ได้แต่รู้พอได้แต่รู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาก็คือรู้กายเมื่อรู้มากๆเข้าเนี่ยจิตมันก็อยู่กับกายแล้วมันไม่ เพราะว่าถูกฝึกให้รู้กายเนาะมันก็เลยไม่ค่อยไปคิดแสสายไม่ต้องไปวุ่นวายกับ อ, อย่างอื่นแล้วมันก็เลยตั้งมั่นในการรู้กายแต่ขณะที่รู้กายต่อมามันจะมีความคิดความอะไรที่ผุดที่แทรกขึ้นมามันก็เริ่มเห็นขึ้นมาว่าอ๋อเอ้ยมันเห็นความคิดแทรกแต่ก็ยังไม่ทิ้งฐานกายเนาะรู้กายเรื่อยเรื่อยเนี่ยรู้กายแบบสบายสบายแล้วก็ความคิดอะไรก็แพลมขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นเริ่มเห็นแต่ก็ยังไม่สนใจความคิดเพราะว่าแค่เห็นไงมันเห็นโดยโดย ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาเพราะมันมันแพรมขึ้นมานะมันผุดขึ้นมาแล้วก็เห็นพอเห็นบ่อยๆปั๊บมันเริ่มรู้จักความคิดแล้วพอเริ่มรู้จักความคิดเนี่ยความชํานาญในการที่จะเห็นเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเยอะมากมันคิดมาบ่อยๆเนาะแล้วก็ชํานาญในการเห็นความคิดพอเห็นความคิดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแยกระหว่างกายกายเขาเรียกว่ารูปเนาะอ่าจะแยกเป็นว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้ความคิดซึ่งเป็นนามเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่า แยกรูปแยกนามได้เอาอะไรมาแยกก็ไอตัวสตินี่แหละฝึกสติใช่ไหมครับหลวงพออ่อใช่ไอตัวสติเนี่ยมันก็รู้จักรูปเพราะรูปมันรู้จักมาก่อนแล้วเนาะความคิดเนี่ยมันมารู้จักภายหลังแต่ทีนี้มันก็พิจารณาว่าเฮ้ยขณะที่เดินร่างกายมันเดินไอที่เดินคือร่างกายคือรูปเดินแต่ความคิดมันไม่ได้เดินนี่ความคิดมันไม่มีขาไม่มีเท้าเนาะมันเริ่มรู้จักขึ้นมาว่าความคิด กับกายเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละนามมันเป็นนามมันจะส่งข้อเป็นนามพอเป็ น, นอย่างนี้เสร็จแล้วมันมันแยกเป็นนี่ว่าอ๋อไอ้นี้ไอ้นี้รูปไอ้นี้นามเห็นไหมการแยกแบบเนี้ยทําให้ทําให้เหมือนกับว่าทําให้ส่วนประกอบที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันถูกแบ่งถูกซอยออกมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นสองอย่างคือรูปกับนาม<อ>ที Consort นี้ถ้าเรามองรูปอย่างเดียวทีนี้มาพี่นาเลยรูปอย่างเดียวมันเป็นเราได้ไหมอ่ะไม่ได้ นามอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อแสดงว่ารูปรูปมันก็ไม่ใช่เราดินามมันก็ไม่ใช่เราแต่พอมันมาผสมกันมันเป็นเราขึ้นมาไอเนี้ยหัดแยกแบบนี้ทําไมอ่ะพระพุทธเจ้าจึงแยกมาเป็นห้าขันก็เพื่อให้ซอยลงมาว่าไอ้แต่ละขันเนี่ยมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนหรือว่าแต่ละขันเนี่ยมันเป็นสังขารสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะพัฒนาทําให้เพิกถอนความเห็นผิดไปได้แต่ถ้าเราไม่แยกดูสิโยมเราไม่แยกมันเห็นเป็นทั้งตัวเนาะ อ๋ออย่างนี้คืออย่างนี้คื อ, อพ่อเราฝึกสติเนี่ยหลวงพ่อทีนี้เราไม่ใช่คิดอะไรสิครับทีนี้มั น, oh, มนเป็ น, น, นการเข า, เ, ขาเรียกว่าเกิดภาวะการเห็นขึ้นมามันเป็นสภาวะแล้วสิครับมันไม่ใช่ความคิดแล้วมันเป็นสภาวะที่เราไปเห็นใช่ไหมหลวงพ่อใช่แล้วมันก็ทําให้เราเกิดปัญญาว่าอ๋อนี่เป็นรูปเป็นนามอ๋อแล้วก็ในส่วนตัวผมผมคิดว่าเวลาเราเราฝึกกายบ่อยๆเนี่ยเราเราซึ่งเป็นนามใช่หมครัเรามันหยาบจับได้พอเราไปจับพวกที่มันไวกว่าซึ่งมันมันมันไม่ มีแขนมีขาคือรูปก่อนเพอไปจับนามคือเรื่องใจเนี่ยมันมันจะเห็นความคิดไป็สองอย่างสิครัเพราะว่าความคิดที่มีกระสุนเป็นกุศลกับเป็นที่อกอุศลเนี่ยเราจะเห็นด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อมันเห็นหมดแหละ ม, มันเห็นหมดแต่ว่าจริงๆบางทีสมมติว่าเราเราไม่ได้เรียนภาคปริยัตนินะครับแต่มันเห็นแล้วแหละ ว, ว่าคิดคิดดีหรือคิดไม่ดีเพราะว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยก็จะจะพูดถึงว่าไอ้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนาะ แต่ภาษาทางธรรมะถ้าคิดไม่ดีเขาเรียกว่าคิดอากูสนคิดดีๆเขาเรียกว่าคิดกุศลเนาะแต่เราไม่ได้เรียนภาคปริยัพไงแต่เราเข้าใจได้ว่าเฮ้ยแบบนี้คิดไม่ดีคิดด่าเขาคิดนินทาเขาแต่แบบนี้คิดชมเขาคิดสรรเสริญเขามันแยกแยะเป็นนียว่าคิดแบบไหนแล้วเราก็เรียกชื่อแบบชาวบ้านบอกว่าเอออันนี้คิดดีอันนี้คิดชั่วคิดไม่ดีคือเราเข้าใจแบบภาษาท้องถิ่นของเราไงหลวงพ่อคือแบบคิดแบบบ้านๆแต่ว่าพอคิดแบบบ้านๆอย่างถ้าเรามีอย่างพรอคุณตาหรือหลวงพ่อเนี่ยซึ่งึกษาวพระปริยับอกมาเนี่ย เรามาให้หลวงพ่อขยายให้เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นใช่ไหมครัว่าสิ่งที่เราคิดบ้านๆเนี่ยก็มีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันคือเหมือนกับว่าถ้ามีสภาวะแบบอย่างนี้แล้วแล้วรู้จักแล้วเนาะพอเราฟังคนที่เขาเก่งๆในภาคปริยัติเนี่ยโอ้มันเหมือนกับว่ามันจะเข้าใจในในภาคปริยัตมากมันจะเข้าไปในใจนะครัมันไม่มันจะเข้าไปลึกไปในใจใช่ไหมมันจะสะเทือนเลยผมผมัวผมทีนี้อย่างหลวงพ่อเทียนอย่างเนี้ยท่านไม่มีภาคปริยัติท่านอ่านหนังสือไม่ออก แต่ท่านเจอของจริงที่มันปรากฏเนาะหรือมันดับไปเนี่ยแต่ท่านก็ท่านก็รู้จักเห็นแล้วรู้แล้วแต่ท่านก็ใช้ภาษาของท่านเองอะท่านบอกว่าเออจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้เพราะท่านคือท่านเหมือนกับว่าอชื่อเรียกมันไม่สําคัญหรอกแต่ท่านเห็นของจริงไงเห็นสภาวะเนาะท่านก็สิ่งนี้เป็นวิมุตใช่ไหมหลวงพ่ออย่างสิ่งที่ที่ทตัวกล่าวว่าความจริงเนี่ยก็คือวิมุตใช่ไหม เออเดี๋ยววีมุตต์เดี๋ยวค่อยพูดตรงนู้นก่อนเอาให้รู้สึกตัวก่อนกลับมาอย่างนี้ <S <S <S <S คือวีมุตต์เนี่ยมันจะเข้าใจได้ต่อเมื่อรู้สึกตัวเออต้องรู้สึกตัวให้เก่งให้ชํานาญก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมันจะแยกได้ว่าไอตัวเราเนี่ยคือคือโลกิยะแล้วก็ไอตัวที่รู้เราอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวเราไอตรงนั้นแหละมันจะรู้จักเองว่าคือโลกุตตะละคือเป็นวีมุตต์ไปแล้วฝังฝังนู้นไปเลยเพราะนั้นจุดเริ่มต้นคือต้องต้องฝึกให้รู้ตัวฝึกให้รู้สึกตัวข้ามตรงนี้ไม่ได้เลย ข้าคือคือคุยหลวงพ่อมาฝึกพวกเราเนี่ยมาคุยใหม่ๆผมถ้าผมจําไม่ผิดเรื่องรู้ตู้ตัวเนี่ยหลวงพ่อคุยหลายตอนเลยพราะว่านั่นคือการไปเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นให้ให้พวกเราปูนะฮะว่าตรงนี้คือการเริ่มต้นหน่อยนะามว่าเพราะว่าบางท่านหรือวิตกหรือมีเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยคือจะให้เราแบบว่าทําให้เราหายไปเลยทีเดียวเนี่ยโอ้ผมว่าเราน่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกสติก่อนดีไหมครับหลวงพ่ออดีตนี่เกาะครับ ก็อย่างประสบการ์หลวงพ่อเนี่ยพูดที่ไหนก็มักจะยกตัวอย่างไอ้เรื่องเรื่องดับดับทุกเบื้องต้นน่ะนะที่หลวงพ่อมันมีทุกันเนาะทุกคือความไม่สบายใจคือความไม่สมใจของเราที่มันมันคิดลูกเดียวแต่มันไม่เคยมีความสุขแล้วราคาญความคิดเปลียดความคิดอ่ะเนาะแล้วก็วิธีดับวิธีแก้เบื้องต้นก็คือเรื่องรู้สึกตัวแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกฉะโลกถูกใจ มีพึงมีความพึงพอใจมากก็เลยเดินทางสายนี้เลยไม่ไม่ต้องไปทำสมาธิทําฌานเหมือนกับสายสายสมาธิเขาเนาะไอันนี้เดินสายปัญญาเลยคือแค่มีสติรู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นสมาธิพอเพียงที่จะให้เห็นความจริงได้อะนะก็เลยแบบง่ายเลยสิ่งนี้คือปฏิบัติธรรมใช่ไหมหลวงพ่อการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยชัดๆเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับก็ถูกต้องปฏิบัติพัฒนาพัฒนาจิตให้มันเกิดการตื่นรู้มีสติ เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้ามีสติเนี่ยมันก็รู้หมดแหละว่าคิดชั่วก็รู้คิดดีก็รู้ทำชั่วก็รู้ทำทาดีก็รู้แต่ก็ไม่ทำชั่วแต่รู้มันรู้หมดแหละเออมันแยกแยะได้เป็นแล้วก็กำลังกำลังที่จะไปหยุดไปห้ามเนี่ยมันก็มีสูงเพราะมันละอายต่อบาปยิ่งคนมุ่งตรงต่อพระนิพพานเนี่ยมุ่งตรงถูกความพ้นทุกเนี่ยมันจะมีความเกรงกลัวต่อบาปมันไม่กล้าทเพะ จะเหยียบฆ่าสัตว์จะเหยียบมดสักตัวหนึ่งโหต้องแบบชุนละมัดเหก็บว่าองค์ธรรมคิริโอตปาเลยครับหลวงพ่อคือมันเป็นเองอ่ะเพราะว่าใจมันตั้งไปแล้วว่ามันจะต้องเพ้นทุกข์เมื่อมันพ้นทุกข์มันก็คําสอนก็บอกอยู่แล้วว่าต้องละชั่วใช่ไหมให้ทําดีครัไอ้สิ่งพวกนี้ได้ยินมาก่อนไงแล้วก็พอตอนหลังเวลามันคิดจะทําผิดทําชั่วเนี่ยมันถูกสติยับยั้งเอาไว้มันรู้ทันมันก็เมฆก็ห้ามเอาไว้ แต่ทางนี้มันก็อยู่ที่กําลังสติด้วยเนาะเพราะว่าบางทีความคิดอ่ะมันคิดชั่วก่อนพอคิดชั่วก่อนไอคิดดีมันไม่เกิดไงมันก็เลยทําชั่วไปเลยแต่ถ้าบางทีมันเถียงกันก่อนเช่นสมมติว่าจะทําชั่วเนาะแล้วก็ไอตัวคิดตัวหลังมันบอกทําไม่ได้เรานักปฏิบัติธรรมอย่าไปทําอ่ามันก็ไม่ทําแต่ถ้าไอไอฝ่ายคิดชั่วมันยังมีกําลังมากมันบอกเออไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยไม่มีคนเห็นเนี่ยมันมันเถียงกันเองก่อนไงแต่ว่าตัวสติเนี่ยมันจะเป็นตัวเห็น แต่ว่าถ้าสติกําลังไม่พอมันก็แพ้ไอ้พวกประเภทความคิดที่รุนแรงกว่ามันก็ลากใบตรงนั้นนะต้องฝึกสติให้รู้เท่าทันสตินี่ทําให้เราเกิดกุศลกรรมใช่ไหมครับเป็นกุศลอยู่แล้วเออเ อ, อเอามาเดี๋ยวมาฝึกสติรู้ตัวกันก่อนกําลังพูดก็รู้เนาะแล้วลองหยุดพูดดูนะ่ลองหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะมันก็รู้ว่าหยุดเห็นไหมสติเริ่มเกิดแล้วอ๋อพูดก็รู้หยุดก็รู้แล้วก็อยู่เฉยๆเอาไว้อย่าเพิ่งพูดเนาะแล้วต่อมามัน มันอยากจะพูดก็รู้ว่าเออมันอยากเลยนะทีนี้ก็ดูต่อไปความอยากก็เสื่อมลงคลายลงแต่ถ้าถ้าสติอ่อนนะพอมันอยากพูดเนาะพอมันอยากพูดปั๊บไอความอยากเนี่ยมันมันมากกว่าสติไงก็เลยพูดไปทัทง้ทงๆ้ที่ทั้งทั้งที่เหมือนกับว่าฝึกาบเหมือนกับว่าต้องยับยัง้งชั่งใจคือไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดแต่ด้วยแรงผลักดันที่อยากจะพูดมันมากกว่าตัวสติตัวสติกําลังน้อยกว่าก็เลยพูดไป คนที่เวลาทะเลาะ ก, กันกับเพาะอะไรก็ไม่มีสติแทนที่จะดูความคิดจะดูอาการเกิดของความคิดดูอาการของความชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้ดูแต่ว่ามันไปแล้วมันไปแล้วมันพูดแล้วมันทําแล้วสติมันอ่อนไงเพราะนั้นต้องฝึกฝึกดูฝึกรู้แล้วก็อย่าเพิ่งทําตามใจที่มันอยากจะพูดอยากจะคิดอาการที่ไม่ทาตามใจตรงนี้เขาเรียกว่าขัดใจแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันเคยชินกับไม่เคยถูกขัดใจไง เพราะนั้นเราปฏิบัติจะต้องฝึกขัดใจคือไม่ทําตามใจมันจะไปเที่ยวก็ไม่ไปมันจะไปกินเหล้าก็ไม่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าขัดใจขัดใจเมื่อขัดมากมเนี่ยมันจะมีกําลังมากไอ้ตัวที่เคยชินว่าไอ้ตัวที่ชวนไปนู่นไปนี่มันก็กําลังมันก็สู้กําลังมากไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกสติให้มีกําลังมากๆแล้วมันจะปราบทุกมันจะปราบได้หมดแหละ อันไหนไม่ดีมันปราบหมดเลยคือหยุดหยุดหมดเลประมาณนี้คุณเจ้าครับพอดีผมมีปัญหาที่จะสอบถามพระคุณเจ้าครับตัวผมเนี่ยเคยได้รับรู้เคยได้เห็นมาว่าพระสงฆ์ทางทิเบตพอท่านอายุมากๆเข้าครับท่านปฏิบัติดีม า, มากๆท่านปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานม า, มากๆเข้าตัวท่านเองจะมีการเตรียมละสังขารคืออาจจะเชื่อมโยงด้วยข่าวที่เป็น ทางปัจจุบันด้วยนะครับพวกท่านก็จะมีการแบบกินรากไม้คือทำตัวเองให้แห้งให้ผอมไปแล้วก็ผมอยากจะสอบถามพระคุณเจ้าว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงมีการปฏิบัติละซึ่งเว้นเรื่องความตายได้ง่ายมากแล้วทำไมถึงทำกันมาเป็นอย่างนั้นเป็นช่วงๆเลยครับพระคุณเจ้า พ่อไม่ใช่องค์นั้นเนาะหลวงพ่อคงไม่รู้หรอกมั้งไม่รู้มากกว่านะหลวงพ่อตอบตรงๆว่าหลวงพ่อไม่รู้ไม่รู้ท่านเลยว่าที่ท่านทําอะไรยังไงแล้วก็เป็นยังไงหลวงพ่อไม่ไม่รู้นะหลวงพ่อตอบตรงๆเลยหลวงพ่อไม่รู้ทางสายพุทธเรามีการสอนให้ปฏิบัติแบบสุดตรงขนาดนั้นหรือเปล่าครับหลวงพ่อทางสุดตรงพระพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่ไม่ทางสุดตรงไม่ควรเดินกามสุขก็ไม่ควรไม่ควรเดินที่หรือว่าทุกข์คือ ทำให้ตัวเองลําบากอ่ะอัฐิรฐานุโยคอะไรเนี่ยก็ไม่ควรเดินให้เดินทางสายการทางที่เออถูกต้องทางที่ถูกต้องอ่ะคือสุดตรงไปไม่ไม่อยากไม่ควรเดินเพราะว่าท่านขั้นผ่านมาหมดแล้วเพราะว่าก่อนที่จะรู้เนะท่านสุดตรงเช่นเสพกามเนาะเป็นลูกกษัตรนะิย์น่ะโหทุกอย่างมีครบหมดเลยเต็มที่<ช>เลย อ, ะอ่ะอ่าแล้วก็พอต่อมาตอนหลังมันก็เกิดการเบื่อหน่ายคืออยากจะออกจากทุก ก็เลยไปสุดตรงไปอดอาหารไปกั้นลมหายใจสารพัดสุดท้ายก็ไม่ใช่หมดพอไม่ใช่ท่านก็พบทางของท่านก็คือให้มันทางพอดีใ น, ในอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็สุดท้ายก็มาสอนปัญจวัคคีย์ใช่ไหมเพราะอันนั้นก็สุดตรงเหมือนกันเอาทีนี้หลักของเราคือเพื่อสู่ความพ้นทุกข์โดยเร็วโดยเร็วพลันก็คือต้องรู้ตัวรู้ตัวเรานี่แหละคนอื่นวางไว้ก่อนรู้คนอื่นเนาะวางไว้ก่อนเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะทํา ให้เราพ้นทุกไปได้เพราะว่าคนอื่นเขาเพียนของเขาเนาะเออเขาก็ทำของเขาถ้าเขาพ้นทุกแล้วแต่เรารู้เขาว่าเขาพ้นทุกแต่เราก็ยังทุกเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนาะกลับมาเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้พบได้เห็นมาก่อนว่าเมื่อก่อนเราก็ชอบรู้เรื่องคนอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยทุกจะตายแก้ปัญหาไม่ได้เลยกลับมารู้ตัวเองเสียผมจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าที่ตัวผมเองทําสมาธิแล้วรู้สึกว่า มันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวผมเองมีความสุขมากพอมีความสุขไปสักพักหนึ่งความสุขตรงนั้นมันบางทีบางครั้งเริ่มหายไปเริ่มมีสิ่งอื่นที่เข้ามารบกวนทางด้านความคิดในสภาวะที่เราเป็นสุขในการทำสมาธิครับหลวงพ่อเราอยากจะดึงช่วงเวลาแห่งความสุขในการทาสมาธินี่เขาเรียกว่าอะไระครับหลวงพ่อและสภาวะนี้จะอยู่อย่างไงแล้วเราจะให้สภาวะนี้อยู่ได้นาน อะไรยังไงแบบนี้ครับผมก็ทำยังไงได้บ้างครัไม่ไม่คิดไม่ควรคิดอย่างนั้นไม่ควรคิดที่จะให้มันอยู่นานแต่ให้ปฏิบัติคือให้เห็นความจริงเห็นความจริงของมันว่าความความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะความอื่นๆแม้กระทั่งความทุกเนี่ยทุกที่แบบไม่สบายกายไม่สบายใจอ่ะมันก็ไม่เที่ยงให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน สิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งใดปรากฏขึ้นสิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่ทีนี้คนส่วนมากไม่เข้าใจตรงนี้พยายามจะทําให้เที่ยงไม่สําเร็จพอไม่สําเร็จมันก็จะคับแค้นใจมันก็ก็เป็นทุกข์ทางใจเป็นทุกเบิลเข้าไปอีกเพราะทําให้สําเร็จอะเนาะเหมือนกับว่าจะทําให้ได้จะทําให้ได้แต่มันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเกิดการคับแค้นแค้นใจก็เลยเป็นทุกข์ เราหวังเพื่อจะให้มีความสุขแต่เรากลับไม่มีความสุขเลยครับหลวงพ่อโอ้โหยิ่งทุกข์หนักใช่ใช่ครับแต่พอวันวันไหนที่ผมมานั่งกรรมฐานนะครับหลวงพอ่อ mm hmm. ผมรู้สึกว่าวันไหนที่ผมไม่ได้ตั้งใจคือนั่งกรรมฐานปกติแต่รู้สึกว่าแบบยี่สิบสามสิบนาทีก็มีความเป็นสุขได้คือมันเป็นความอิ่มเ อ, อิบทางใจอะครับหลวงพอ่อ mm hmm. ก็เลยแบบว่าเราอยากจะเหนี่ยวลังสภาวะนี้ให้นานที่สุดอื่นก็ามา เ, ออเนี่ยวลั้งก็ไม่ถูกเพราะว่าการเหนี่ยวรั้งเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วไงตัวตัว เหมือนว่าตัวรักษาตัวพยามมันเป็นภาระหมดเลยแต่ทางที่ถูกต้องคือให้รู้ความจริงในปัจจุบันปัจจุบันก็เพราะว่าอดีตมันไม่มีแล้วนี่เห็นไหมความสุขที่ที่โยมเคยพบเนาะมันก็เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่มีแล้วอาการอย่างนั้นแต่มันมีอะไรอาการตอนนี้ก็คือเนี่ยอาการที่รู้สึกก็ปกติรู้สึกก็ไม่ได้สุขมากหรือมันไม่ได้ทุกข์อะไรเนาะเป็นปกติให้รู้อย่างเนี้ยแล้วก็อันนี้มันก็ไม่เที่ยงอีกนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นอะไรอาจจะ แป๊บเดียวก็ลูกมากวนโมโหอะไรหรือว่าอะไรแล้วแต่เนาะเออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย <P. S 1> เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะคือให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดมันไม่เที่ยงแล้วก็หยุด ค, ความอยากได้เนาะหยุดความอยากได้ที่ให้เที่ยงตามที่เคยคิดมาก่อนเน่ยตรงนั้นวางให้หมดเลยเพราะมันไม่สมใจอยากพอหมดอยากปั๊บเนี่ยตรงนี้ความทุกข์ทางใจเขาเรียกว่าดับตัณหาเนาะความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิด มีแต่ทุกข์ทำตามร่างกายที่มันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีปว่วยเป็นธรรมดาของสังขารใช่ครับเนาะให้เข้าใจเป็นตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าอันนี้คือเป็นสมาธิฏฐิที่พระพุทธเจ้า ท, ท่านสอนเรื่องเนี้ยแหละเพื่อที่จะพ้นทุกข์ออกจากทุกขก์ก็คือตรงนี้คือรู้มันเห็นมันแล้วก็ต่อไป ค, คือไม่เข้าไปยึดถือความทุกข์ว่าเป็นเรา จริงอะลองไปนาดูด้วยว่าความทุกข์เนี่ยเป็นของน่าเกลียดน่าชังแล้วทำไมเราไปยึดว่าเป็นเราอะอ ม, มันมันจริงๆมันก็ไม่ควรอยู่แล้วอะเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่ไม่น่าจะยึดถือว่าทุกข์เป็นเราเป็นของเราเนาะยมว่าไหมครับครับใช่คออรับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็แค่รู้มันพออย่าอย่ายึดถือว่าเป็นเราแค่รู้มันพอ ร, ร, รู้ก็เหมือนกับว่ารู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์กออ็รู้แล้วเออดวงอาทิตย์ไม่ใช่ของเราคือไม่ยึดมาเป็นของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับดวงอาทิตย์ เวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นความทุกข์แต่ก็เออก็มึงอยู่ของมึงแค่แต่ไม่เอามายึดมาเป็นกูแค่เนี้ยก็น่าจะใครทุกข์ได้เยอะขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับอเรื่อง <c oughs> รู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นต้นทางเลยเนาะหลวงพ่อก็ต้องเน้นอีกแล้ต้นทางเพราะว่าในสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวเท่านั้นอ่ะที่จะถึงความ มาบริสุทธิ์หมดจดอะทางนิพพานนะเนาะเพราะว่าทางสายเนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามีสติเนี่ยมันจะเข้าอริยมรรคได้เลยนะเพราะฉนั้นอริยมรรคเนี่จริงๆอริยมรรคมีองค์แเนี่ยคือมันเป็นเป็นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติทางเอาไว้นะท่านก็บัญญัติก็ต่อเมื่อท่านตรัสรู้แล้วนั่นแหละแต่วิธีที่จะให้ให้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แก็คือมีสตินี่แหละเพราะว่ามีถ้ามีสติอย่างอื่นมัน ม, นมาหมดเลย ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญามันมาหมดเลยแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคมีองแปดนั่นแหละเราเนี่ยเราไม่ต้องไปรักษาทีละข้อหรอกเพียงแต่ฝึกสติตัวเดียวนี่แหละมันก็จะมาครบส <c oughs> ติตัวเดียวเนี่ยฝึกเนี่ย <c oughs> ชแล้วก็สําหรับผู้ที่อยู่ในนี้นะหลวงพ่อก็เคยบอกแล้วว่าเวลาจะถามอะไรนะให้รู้ตัวก่อนนะ <c oughs> รู้ตัวว่าอ๋อมันมีการเขาเรียกว่า ไปเลยแลมันมีการมีการคิดหรือว่ามีการเออมีการขยับแล้วเนาะมีการขยับจะถามเนี่ยให้เห็นตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะยังไม่ถามทันทีก็ได้รอมันก่อนแล้วก็ไอความอยากจะถามเนี่ยมันก็แผ่วลงมันก็จางคลายไปพักหนึ่งเนาะแล้วต่อมามันดันอีกแล้วดันให้ถามอีกแล้วให้เห็นตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งถามทันทีเนาะแล้วก็เห็นเห็นสังเกตตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อไอพวกนี้มันก่อนจะถามมาเลยได้มันมีกระบวนการของมันตั้งหลายขั้นตอนตั้งแต่คิด ตั้งแต่แล้วก็เวลาจะถามเนาะมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมันช่วยกันอะ่ะช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดการถามได้เนาะโอ้โหมันมีกระบวนการมากมายเนาะตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นกระบวนการของมันนะหลวงพ่อเทียนอะ่ะโอ้โหนี่ถ้าราไปอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งแต่พอท่านรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านเห็นเลยว่าคึกแต่เดิมมันท่านติดบุหรี ท่านติดบุหรีแต่ท่านไม่เคยเห็นกระบวนการว่าการที่จะมาสูบได้เนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงแต่พอท่านรู้สึกตัวเป็ น, นท่านเห็นเลยว่ากระบวนการน่ะจะสูบบุหรีนู่นมันต้องมีความคิดมีความอยากก่อนใช่ไหมค่<ฮ>ะแล้วก็ <ฮะ S 1> แค่อยากอย่างนั้นนะถ้าไม่ทําตามเนี่ยมันไม่ใช่จะสูบได้นะท่านก็บอกว่าโอ้มันมีการไปหยิบบุหรีมีการจุดควยแช็คแล้วก็มีเอานิ้วมานนีบแล้วก็เคลื่อนเข้ามาใส่ปากแล้วก็ต้องสูดเข้าไป โอ้โหท่านบอกขอบวนการมันเนาะแล้วมันลําบากเหลือเกินอะ่ะกว่าจะสูบได้อะ่ะท่านก็เหมือนอกับว่าทํานองว่าคงเห็นทุกันเนาะโอ้โหนี่มันเหนื่อยมันมันตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านก็เลิกเลยท่านเคร่งทิ้งหมดเลยตั้งแต่ท่านที่เข้าใจ <c oughs> ในบัต น, นั้นเลยทั้งทั้งที่ท่านติดนะพอข้าศึกไปตรงนี้ปับ๊บเคร่งทิ้งเลย <c oughs> มันเป็ น, เ ป, นเป็นโทษไงหลวงพ่อเคยเคยเห็นนะตอนนั้นหลวงพ่อขึ้นศาลเนาะ <c oughs> ล้วก็ ตาเราก็มองผู้ว่ากษาที่นั่งอยู่บนบันลังเห็นท่านเอามือไปหยิบปากกาไปหยิบดินสอไปหยิบกระดาษไปหยิบตัวแม็กเย็บมันเห็นเลยนะว่าโอ้โหนี่มันทุกข์เหลือหลายนะเนี่ยทุกอย่างนี้ที่มันมีเคลื่อนไหวแบบนี้นี่เน่ะมันถูกบีบคั้นให้เคลื่อนนะนะั่นน่ะแล้วมันทุกทุ ก, ทกคือมันแปลกมากเลยเนี่ยยังจําได้เลยทําไมเราพี่นาเห็นทุกได้อะ่ะ มันเห็นเป็นทุกข์ไปเลยว่าการเคลื่อนการหยิบเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเนอะมันต้องโอ้โหที่เพราะนั้นมันมีแต่ทุกข์จริงๆเลยเนี่ยก็เลยโอโชีวิตเรานี่มันมีแต่ทุกข์นายโยมไม่มีสุขหรอกเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสังขารเป็นทุกข์เนี่ยเข้าเป้าเลยเนี่ยหัวข้อมันนะ่ะก็เมื่อกี้ผมก็ฝึกหน่วงฝึกฝืนครับหลวงพ่อครับอ่าแต่นี่<ต>หลุดแล้วเออหลั ก, ก่อนนั่นแหละครับฝึกทันทีครับหลวงพ่อฝึกดีมากดีมา ก, มากอ่กาแล้วเป็นยังไงล่ะ ก็ดีครับการ่องตัวเองการฝืนตัวเองก็จะผมว่าเป็นการขัดเกลาตัวเองเพราะว่าผมมนุษย์เราเนี่ยปฏิจจสมุปบาทก็สตาร์ทด้วยอวิชชาว่าอวิชชาเขาครอบงาผมตั้งแต่เกิดนั่นแหละครับผมจะสู้เขาได้ก็ต้องสู้ด้วยสติอย่างเดียวก็สติจะมาได้ก็ต้องฝึกฝืนขอเใช่ไหมหลวงพ่อสช่เพราะตัวตั้งตัวางครับก็ฟังจากหลวงพ่อแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจที่ผมว่า ฝึกแบบนี้มาอะไรครับก็<อ>ดูดิโอ้โหนี่ถ้าฝึกนะยิ่งอยู่ในสังคมเนี่ยนะเพราะว่าคารวะต้องต้องกระทบกับผู้คนเยอะเนา ะ, ะเวลามันมันโกรธใช่ไหมถูอว่าไม่พอใจมันต้องเห็นข้างในก่อนเนาะว่าไม่พอใจเนาะแล้วก็ขัดใจคือไม่พูดไม่โต้อตอบโอ้โหถ้าโยมอย่างนี้ต่อไปนี่โยมจะเป็นพระเป็นพระค <c oughs> ือนิ่งเป็นใบเงี้ยไมแต่เมื่อกี้ <c oughs> มีคุณกิดขึ้นมาสะท้อนเนี่ยผมฝึกมาเจ็ดเดือนก็ฝึกหนักนะครับหลวง ผมผมผมจําจําได้ครับว่าเดี๋ยวนี้ผมก็พูดไม่เยอะนั้นนะครับสมัยก่อนนี้ผมเมป็นผู้บริหารนะครับผมต้องชี้แจงกับลูกน้องต้องอะไรเยอะอย่างเงี้ยเีนี้ผมผมเหมือนกับว่าผมพอเราฝึกด้านนี้มาเนี่ยเราเราตัดชับนี่นะครับ<ม>ทุกอย่างมันเกิดขึ้นระดับไปใช่ไหมเราก็จะไม่เยื่อเยอะลาไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วครับเหป็นเหมือนกับคนเพื่อวนไงไม่ทราบ<ม>แต่เรารู้ใจดีว่าเราสิ่งนี้เราทำํำเจตนาเราคืออะไร<ม>แต่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่า ผมพจสุปิตินะครับเพราะว่าหลวงพ่อกล่าวว่าเดินทางสุนิพานนี้ก็คือการก็คือสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับหลวงพ่ออือจะเป็นจะเป็นเครื่องที่จะนําเราสู่อการพ้นทุกข์แนะ่ใช่ไหมครับหลวงพอ่อคือสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับออร่าาถ้าไม่มีใครถามแล้วก็คงจะยุติได้เนาะแต่ทีนี้ ด้วยความจริงใจปรารถนาดีก็คือนั่เพราะเราเมื่อฟังแล้วก็ลองก็ต้องไปเลยแหละต้องไปไปขัดใจต้องไปฝึกเนอะรู้ตัวนะมันคิดจะทำอะไรก็รู้แล้วก็ขัดใจหน่อยอย่าตามใจตรงนี้มันจะ <S <S 1> <S 1> จะเห็นเลยว่ามันยากเหมือนกันเพราะที่ยากมันมันไม่คุ้นชินเนี่ยไอ้กำลังของฝ่ายผลักดันเนี่ยมันมันสะสมมานานแล้วมันมีกำลังมากเอาไม่อยู่แต่ก็ก็ต้อง สังเกตแล้วก็ฝึกไปเดี๋ยวมันฝึกมากๆมันก็เอาอยู่เองอืมสมมตว่ามันอยากจะพูดแล้วก็รู้แล้วว่าโอ้มันอยากจะพูดอย่าเพิ่งพูดเนี่ยหัดเหมือนกับที่ที่โยมอำนาจเมื่อกี้เนาะมันอยากจะทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ทําตามเช่นมันอยากจะหยิบโทรศัพท์มาแชทไลน์ไม่ทําไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปไม่ไปฝึกมันก่อนไงเเดี๋ยวก็มันให้ผลมากเลยนะให้ผลคือจะเห็นความแตกต่างกว่า ก่อนฝึกกับหลังฝึกเนี่ยมันให้ผลจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหมันจะเป็นยังไงก็ตรง น, นั้นแหละรู้เอง